จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันทอดกระถิ่นพระราชทานของวัดยาณาสังวราราม โดยมีกศนคือการศึกษานอกโรงเรียนได้รับภาพพระราชทานเพื่อมาทอดในวันนี้เวลา1 3 3ส น, นคือบ่ายโมงครึ่งเรื่องของกถินนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการ คือกองที่จะมีการถวายผ้ากระถินกันนั้นไม่มีธรรมเนียมการถวายผ้าจีวรให้แก่พระภิกษุสมมามเณรพระภิกษุสา ม, มเณรจึงต้องไปเก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆในป่าช้าบ้างบนกองขยะบ้าง เก็บมาได้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มาสะสมเอาไว้พอได้จำนวนที่จะมาเย็บเป็นผืนก็มาตัดเย็บเป็นผืนแล้วก็ย้อมด้วยน้ำฝาดคือน้ำที่ต้นจากแก่นไม้แต่เนื่องจากมีผ้าภิสูุสมมเนย บวชกันมากผ้าจึงเป็นสิ่งที่หายากและจะไม่มีผ้าไว้สำหรับผัดเปลี่ยนเวลาเปียกปอนจากฝนตกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีพระกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขาะเดินทางไปก็ไปเจอฝนจึงทำให้จีวรที่นุ่งห่มไปนั้นเปียกปอน ไม่มีเจีฮมที่จะมาผัดเปลี่ยนพอไปกาพระพุทธเจ้าก็องทรงเห็นว่าพระภิกษุนั้นขาดแคลนเรื่องผ้านุ่หงห่มคือจีวอนจึงได้ทรงประทานพุทธานุญาตบอกให้ญาติโยมถวายผ้ากรถินแต่ทรงกำหนดเงื่อนไขไว้อยู่หลายประการด้วยกันเพื่อเป็นการ เสริมความมักน้อยสำโดเสริมความเพียรเสริมความสามัคคีเสริมความคารุกในพระธรรมวินัยเช่นผู้ที่จะรับภาพพระกรถิ่นได้นั้นจะต้องอยู่จำพรรษาตลอดระยะเสามเดือนถ้าขาดพรรษาก็จะไม่มีอนิสงส์ในการที่จะรับภาพกระถิน่นวัที่รับภากภะถิ่นนี้ ก็ต้องมีพระภิกษุอยู่จำมันสาห้ารูปขึ้นไปสามจะรับผ้ากรถิ่นได้เพียงครั้งเดียวรับหลายครั้งไม่ได้แล้วก็สี่ผ้ากรถินที่ถวายนี้ต้องเป็นผ้าขาวเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวรเพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้ตัดเย็บ ก, กันเอง แล้วก็ต้องตัดเย็บให้เสร็จภายในวันเดียวคือวันที่ถวายผ้ากรถิ่นเมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็ให้ออกไปซักย้อนตากให้แห้งแล้วก็นำออกมาอธิษฐานเป็นผ้าครองต่อไปถึงจะเป็นผ้ากรถิ่นที่ครบสมบูรณ์ได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สาเหตุที่พระองค์ทรงได้กำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ก็เพื่อไม่ให้มันเลยเถอเช่นรับผ้ากระถินก็รับได้เพียงครั้งเดียวถ้าไม่ทรงกำหนดไว้เดี๋ยววัดหนึ่งก็จะรับกระถินเป็นร้อยขึ้นไปก็จะเสียเวลาต่อการมารับผ้าจะไม่มีเวลาที่จะออกปฏิบัติ แต่ถ้ารับเพียงครั้งเดียวเมื่อรับเสร็จแล้วก็จะได้รีบกันช่วยกันตัดเย็บจีวรที่จําเป็นเพื่อมาทดแทนผ้าจีวรเก่าที่ขาดไปหรือใช้ไม่ได้พอตัดเย็บเสร็จแล้วซึ่งทรงกําหนดให้ทําภายในหนึ่งเดือนคือหลังจากที่รับผ้ากระถิ่มาแล้วได้ตัดตัดเย็บสําหรับผ้ากระถิ่น ไปหนึ่งผืนแล้วในวันนั้นถ้ายังขาดผ้าอีกก็ทรงอนุญาตให้ตัดเย็บได้ในระยะเวลานึ่งเดือนหลังจากนั้นก็ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับการตัดเย็บจีวรเพื่อจะได้ออกทุนงออกไปปฏิบัติเพื่อแสวงหาธรรมะที่เป็นเป้าหมายหลักของการออกบวช ส่วนการทําการแสวงหาหาปัจจัยสีเช่นเบนทบาต ท, ที่ว่าใัยารักษาโรคและภาพจิวานีก็ให้หาตามมีตามเกิดแล้วก็ให้หาเท่าที่จำเป็นคือให้ถือหลักนักน้อยสัมโดหาได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจเท่านั้นถึงแม้จะไม่พอเพียง แต่พออยู่ได้ก็ก็ใช้ไปก่อนแต่ให้ไม่ให้มาเสียเวลากับการแสวงหาปัจจัยสีหรือทรัพย์สมบัติเงินทองถาวลวัตถุต่างๆในสมัยพระพุทธการจะไม่นิยมสร้างวัดกันไม่นิยมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิถ้าเนนจะอยู่กันตาม อัตภาพอยู่ตามโขนบ้านอยู่ตามในถ้ำบ้านอยู่ตามเรือนร้างบ้านวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นญาติโยมผู้ที่จะสร้างแล้วถวายให้แก่พระพุทธเจ้าหรือถวายให้แก่พระศาสนาเพราะพระเนรที่ออกบวชนี้ท่านตั้งใจที่จะบวช เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้หยุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเรื่องการสร้างวัดนี้จึงไม่ได้เป็นงานหลักของพระทั้งหลายแต่เป็นงานหลักของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มีฐานะที่มีกำลังที่มีศรัท ธ, ธาที่จะสร้างถวายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัต เงื่นไขในการรับผ้ากระถินงนการที่ว่าจะต้องมีพระห้ารูปอยู่จำารรษาร่วมกันก็เพื่อเพื่อที่จะให้ได้มีความสามัคคีให้อยู่ร่วมกันเวลาที่จะจำารรษาเพื่อที่จะได้ทํากียติคือรับผ้ากระถิ่จากญาติโยมแล้วก็มาช่วยกันตัดเย็บ ก็จะทำให้เกิดมีความพร้อมเพรียงมีความสามัคคีและมีความอุตสาหะเพราะจะต้องรีบตัดเย็บผ้าจีวรคืนที่ได้รับให้เสร็จภายในวันนั้นการกระทำต่างๆเหล่านี้จึงเป็นทำไปเพื่อความเพื่อประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและเพื่อธรรมะ คือวัตถุ ก, ก็คือได้จีวรมานุ่งห่มแล้วก็ได้ความเพียรได้ความสามคัคคีได้ความมักน้อยสันโดษเพราะว่าจะไม่ต้องมาเสียเวลากับการรับผ้ามากมายแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ถึงแม้จะถวายผ้ากระถิ่นได้เพียงครั้งเดียว ก็เลยมีการถวายผ้าป่าแทนซึ่งก็เป็นผ้าเหมือนกันเพียงแต่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับการถวายผ้ากะถิ่นก็เลยถวายได้ตลอดปีก็เลยทำให้คราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจถึงเป้าหมายของการบวชว่าบวชเพื่อมักผลนิพพาน ก็จะเลยต้องมาคอยรับภาพป่าที่ศรัทธาญาโยมมาถวายเนื่องจากมีความเก่งใจหรือสองสารอยากจะให้ศรัทธาญาโยมได้ทาบุญกันแต่ตัวเองกลับลืมทาบุญของตนของตัวเองคือการออกทุดโงปลีกวิเวกออกปฏิบัติ เพื่อแสวงหามรรคผลนิพพานพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลกับในสมัยนี้จึงมีความแตกต่างกันพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธกาลจะมีพระอาริยเจ้าเป็นจํานวนมากเพราะท่านมุ่งไปสู่การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนพระสงฆ์สมัยนี้ท่านจะมุ่งไปสู่การ สังสงก็ศัทธาญาติโยมคอยรับกิจนิมนต์ต่างๆคอยรับงานบุญต่างๆตนเองเลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะปฏิบัติจึงไม่ได้มารลุมาขอนิพพานกันเหมือนกับพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธการทั้งๆที่ก็เป็นพระเหมือนกันมีธรรมวินัยเหมือนกัน ซึ่งเป็นธรรมเวไนทที่เป็นอาการวิโกคือไม่เสือ่อมไม่หมดไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับยารักษาโรคที่มีอายุถ้าใช้หลังจากวันหมดอายุไปแล้วก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ แต่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้ไม่เสื่อมเหมือนยามีประสิทธิภาพในสมัยพระพุทธการอย่างใดก็มีประสิทธิภาพในสมัยปัจจุบันอย่างนั้นแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันขาดการศึกษาลรํ่เรียนกันเวลาบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่กับอุปชาครูบาอาจารย์ตามธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติ ให้อยู่ห้าพรรษาเพื่อได้ศึกษาได้นิสัยจากครูบาจารย์หรือครูบาจารย์หลังจากที่บวชหลังจากที่มีลูกศิกษย์มาอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะอบรมสั่งสอนทางด้านธรรมวินัยลีแตสอนให้รับสังฆทานรับผ้าป่าสอนให้รับเก็บนิมนต์ ต่างๆไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าบวชมาเพื่ออะไรแล้วก็เลยทําให้คิดไปว่าการบวชเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ทําได้แต่ในสมัยพระพุทธการเท่านั้นแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่สามารถทํากันได้เนื่องจากไม่มีพระอริยเจ้าที่บรรลุมรรคผลนิพพาน กันเป็นจำนวนมากเหมือนในสมัยพระพุทธการปรากฏให้เห็นนั่นเองจึงทำให้คิดไปว่ามผลนิพานนี้หมดสมัยไปแล้วบวชได้อย่างมากก็เพื่อที่จะรักษาศีลไปเท่านั้นเองแล้วก็สงฆ์ก็พุทธศาสนิกชนศรัทธายาโยมแล้วก็สร้างวัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่นสร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างกุฏิเต็มไปหมดแต่สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นผลของพระพุทธศาสนาผลของพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจของผู้ออกบวชทั้งหลายแต่เนื่องจาก วันเวลาที่ผ่านไปนั้นทำให้จิตใจของผู้ที่มาบวชห่างเหินจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมวนันจึงทาให้วิมจึงทำให้ผลไม่ปรากฏขึ้นมาไม่ปรากฏมีพระอาหารหันต์มีพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาให้กราบไหว้กันนานาจะมีปรากฏขึ้นมาสัก ครั้งหนึ่งแล้วก็มาสั่งสอนให้ผู้ที่สนใจได้สามารถบรรลุตามเป็นระยะ ะ, ยะแต่ไม่ได้เป็นไ ม, ไม่ได้เป็นอย่างมากมายกายกองเหมือนในสมัยพระพุทธการดังนั้นทุกวันนี้ศาสนาจึงมุ่งไปอยู่ที่การสร้างาทาวอลวัตถุต่างๆ เช่นเวลามาถวายกระถินนั้นความจริงเป้าหมายของการถวายกระถินก็คือถวายผ้าให้ผ้าภิกษุได้นำออกไปตัดเย็บเพื่อจะได้เปลี่ยนเอาผ้าเก่าที่ยุบหมดสภาพไปจะได้มีผ้าใหม่มานุ่งห่มแทนเท่านั้นแต่กับกายเป็นการระ ด, ม ท, ระระดมทุน ระนมเงินทองเพื่อมาถวายวัดเพื่อที่จะมาบุรณะซ่องแซมหรือสร้างถาวรวัตถุถ้ามองทางถาวรวัตถุก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี้กำลังเจริญรุ่งเรืองว่าไปที่ไหนก็มีวัดวาอารามที่สวยงามมีถาวรวัตถุต่างๆ มากมายมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมีรูปเหมือนของครูบาอจารย์องค์ใหญ่ๆไว้ให้กราบไหว้บูชากันแต่ภายในใจของพุทธศาสนิกชนนั้นกลับเต็มไปด้วยความมืดบอดเต็มไปด้วยความความหลงไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้ทำอะไรกันบ้าง จึงทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือการทําบุญให้ทานแต่ไม่ได้รู้ว่านอกจากการทําบุญให้ทานแล้วยังต้องรักษาศีลยังต้องปฏิบัติธรรมจเจริญสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะทําให้ได้รับผลอันเลิศอันปิดเผยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับและทรงนำเอามาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธพุทธศ า, าสนิกชนในสมัยปัจจุบันจึงไม่ได้รับผลอันดีอันเลิศดังที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาให้ได้รับกันเพราะว่าไม่ได้สนใจต่อเหตุ ท, ที่จะทําให้เกิดขึ้นนั้นเองเหตุ ท, ที่จะทําให้เกิดขึ้นก็คือ การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษากันจากต้นต่อคือจากพระไตปิดกจะศึกษากันมาผ่านปากต่อปากเลยทำให้ความถูกต้องนั้นคาดเคลื่อนไปสอนกันแบบผิดผิดถูกๆูจึงไม่ได้ ที่พึงปาถนากันดังนั้นพวกเราถึงควรที่จะทำตัวเราใหม่ถ้าเรายังไม่เคยศึกษาพราะธรรมคำสอนอย่างจริงจังก็ควรเริ่มทำกันเสียทีเพื่อเราจะได้รู้กันว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้อะไร แล้วทรงนำอะไรมาสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจะรู้ก็คือพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสีนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราทุกคนคือทุกทุกขก็คือทุกใจนี้เองเวลาที่เราไม่สบายใจนั่นแหละพระอริยสัจสีปรากฏขึ้นมาแล้วคือความทุกข์ใจ แล้วก็ความทุกข์ใจนี้ก็มีต้นเหตุต้นเหตุนี้เรียกว่าสมุทยัยก็เป็นพระอาริยสัจข้อที่สองต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงพิสูจน์มาแล้วจนเห็นชัดว่าก็เกิดจากความอยากต่างๆของเรานั่นเองเวลาเราเกิดความอยากแล้วใจของเราก็จะ อยู่ไม่เป็นสุขหยุดเหยียดใจําคาญใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามที่อยากก็เสียใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดความโกรธบ้างถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้ละความอยากเสีย และสงสอนว่าวิธีที่จะละความอยางก็คือให้ใช้สติปัญญาให้คอยดูใจเราอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราไม่สบายใจก็ส่งสอนว่ามันต้นเหตุนั้นอยู่ที่ข้างในใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เรามักจะเห็นผิดเป็นชอบกันเวลาเราไม่สบายใจเรามักจะไปโทษ สิ่งภายนอกทำให้เราไม่สบายใจเช่นขณะ น, นี้น้ำท่วมเราก็ไปโทษน้ำว่าทำให้เราไม่สบายใจแต่ความจริงมันอยู่ที่ใจของเราเองต่างหากที่ไม่อยากให้น้ำมันท่วมถ้าอยากให้น้ำท่วมเราก็จะมีความสุขเพราะเราจะได้ส ม, สมใจอยากแต่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำท่วมนั่นเอง จึงทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราใช้สติปัญญาดูใจของเราแล้วก็พิจารณาว่าน้ำท่วมนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามได้หรือไม่ไมถ้าเราห้ามได้มันก็จะไม่ท่วมแต่เนื่องจากว่าเราห้ามมันไม่ได้มันจึงท่วมเมื่อ ม, มันท่วมแล้ว เราจะไปอยากไม่ให้มันทั่วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทําให้ใจเราทุกไปต่อไปนี่คือการใช้สติปัญญาพิจารณาถึงถึงความไม่สบายใจของเราที่เกิดจากความอยากของเราพิจารณาเพื่อเราจะได้ยอมรับความจริงว่าความอยากของเรานี้ไปแก้ปัญหา ไม่ได้ความอยากไม่ให้น้ำท่วมนี้ไปแก้ความทุกข์ใจของเราไม่ได้แต่การใช้สติปัญญาพิจารณาจนเห็นแล้วว่าสิ่งเดียวที่เราทาได้ก็คือต้องปล่อยวางต้องหยาบปอยาด ก, ก, กับเรื่องน้ำท่วมน้ำเขาจะท่วมก็ปล่อยให้เขาท่วมไปแต่ใจของเราไม่ต้องไปทุกข์กับน้ำท่วมได้ ถ้าเรามีสติมีปัญญามาสอนใจให้ปรง่งหรือให้ยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงได้ว่าเราไปทำอะไรกับน้ำไม่ได้เราก็หยุดความอยากไม่ให้น้ำท่วมได้พอเราหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะหายทุกข์ความความหายทุกข์นี้ก็เรียกว่านิโรธ เป็นอริยสัจข้อที่สส่วนการใช้สติปัญญานี้ก็เป็นอริยสัจข้อที่สที่เรียกว่ามัจวิธีการดับทุกข์นั่นเองนี่คืออริยสัจสี 4, ที่กำลังปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราทุกคนคือทุกข์สมุทัยนิโรธมัจถ้าเรามีมักมีสติมีปัญญา คอยดูใจและคอยพิจารณาเรื่องราวต่างๆเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เพราะเราจะไม่เกิดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะยอมรับความจริงว่าตอนนี้เหตุการณ์ความจริงเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้ฝนไม่ตกมันก็ไม่ตก จะไปอยากให้ฝนตกมันก็จะเกิดความไม่สบายใจไปเปล่าๆตอนนี้ฝนตกถ้าอยากให้มันไม่ตกก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าตอนนี้ฝนตกก็ปล่อยเขาตกไปฝนไม่ตกก็ไม่ตกเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปเจ้าที่เจ้าการอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะไม่มีความทุกข์เลยนี่คืออริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสะรู้แล้วนำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดสามารถปฏิบัติตามได้ผู้นั้นก็สามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาจากพระอริยสัจสีนี้เองไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่ที่การเจริญมรรคเป็นหลักคือการเจริญสติปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุน ศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีฐานคือการทำบุญให้ฐานอย่างที่พวกเราได้มาทำกันในวันนี้แต่ไม่ได้เป็นธรรมขั้นเดียวที่เราจะปฏิบัติกันเป็นขั้นแรกเพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ต่อไปจนได้บรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้า ต้องการให้พวกเราทั้งหลายได้บรรลุกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่การทําบุญให้ทานอย่างวันนี้มาทําบุญถวายผ้าะกระถิ่นกันมาทําบุญตัด บ, บาตถวายจตุปัจจัยไตรยธรรมต่างๆนี่เรียกว่าทาน <c oughs> <c oughs> เมื่อทําทานแล้วใจก็จะมีความเมตตา จะไม่ชอบเบียดเดียนจะไม่ชอบทําบาป ก, ก็จะทําให้การรักษาศีล น, นี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายพอรักษาศีลได้แล้วใจก็จะมีความสงบไม่ว้าวุ่นขุนมัววิตกกังวลกับบาปกรรมที่ได้ทําไปเนื่องจากไม่ได้ทําบาสนั่นเองได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ใจก็จะไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีแผลที่จะต้องมาคอยหวาดระแวงว่ า, มาแมลงวันจะมาตอมมากัดทำให้เจ็บได้เพราะเราไม่ได้สร้างแผลขึ้นมาด้วยการทำบาสนั่นเองพอใจมีความสงบเย็นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้อย่างง่ายและรวดเร็วไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พอมีสมาธิแล้วก็จะสามารถดูใจของเราได้ด้วยสติด้วยปัญญาคอยดูว่าเวลาเราไม่สบายใจก็จะถามว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะอยากให้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ช่ไมแล้วเราไปแก้เขาได้หรือเปล่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าไปทำให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือเปล่า พอพิจารณาด้วยปัญญาว่าทำไม่ได้เราก็หยุดความอยากปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นๆนี่คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นขอให้พวกเราจงอย่าหลงยึดติดอยู่กับการ ทำบุญให้ทานอย่างเดียวอย่าไปหลงยึดติดกับการสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างเท่าที่จําเป็นพอเพียงไม่ต้องให้เลิศหรูหราเพราะว่ามันไม่เที่ยงสร้างไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ชำรุดสุดโทรก็ต้องมาบุรณะซ่อมแซมกันใหม่เสียเวลาเพราะถาวรวัตถุนี้ไม่ใช่เนื้อหนังของศาสนาเป็นเปลือกเท่านั้นเอง เนื้อหนังของศาสนาคือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เรามุ่งมาที่ตรงนี้มาศึกษากันอยู่เรื่อยๆด้ว ย, ยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎลหรือหนังสือของพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเพื่อ<น>ที่เราจะได้มีแนวทางที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปนี่คือหน้าที่ของพวกเราจึงขอให้พวกเราพยายามตั้งใจทำกันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ยอ่อท้อแท้ดื้อหรือหยุดขอให้ทำไปแล้วสักวันหนึ่งผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับ ก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเป็นการในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันลาสุขลาดโดยทัวหน้ากันเทอ